อระหโตสัมมาสัมุทัสสะพุทโธโยมังคระธินางมังคะลังอิติวิสุโตเทสโกมังคะระธานังมังครันตังนมามิหันติ ณบัดนีบบน้อาตมภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาในชีวิตมังครกถาพันานาถึงความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า ในชีวิตประรพบในโอกาสที่พองพุทธบริษัทญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาชาววัดปริระวงสาวาสบรวิหารทุกทุกท่านได้มีศรัทธาประสาทเสียสละโอกาสและเวลากิจการงานทางบ้าน เข้ามาสู่พระอารามเพื่อที่จะได้บำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลตามวิสัยของพุทธศาสนิกเมีชนเป็นที่ประจักษ์กันแล้วว่าช่วงนี้ยังอยู่ในพ่วงระยะเวลาของปีใหม่เดือนใหม่ พอสอมใหม่และวันนี้เป็นวันพระแรกของปีใหม่วันที่ห้ามกราคมพุทธศักราช2556้าหสิหจึงขอสวัสดีแด่ทุกทุกท่านในเบื้องต้นว่าสวัสดีปีใหม่จงไร้โซก ศกแต่โชคดีงามตามสนองหวังสิ่งใดได้สมอารมณ์รับเนืองนองไหลมาดังวารีวันเดือนปีหมุนเวียนเปลี่ยนวาระลดเลิกละอาบายให้ไกลหนีกอ่อกุศลผลกรรมด้วยทำดีเชตเชนี มีความสุขพ้นทุกข์เอ่ยท่านทหลายความใหม่ทำให้ชีวิตของเราสดใสจิตใจก็เบิกบานเวลาได้อะไรใหม่เราก็ดีใจเช่นได้เสื้อผ้าใหม่ๆ สวมใส่มันก็ดูโก้ดูเท่ได้เครื่องประดับใหม่ๆประดับแล้วก็ดูหรูหรางดงามตาได้บ้านหลังใหม่ก็มีความสุขได้รถคันใหม่ได้เพื่อนใหม่มิตรใหม่ตลอดถึงได้ตำแหน่งหน้าที่การงานใหม่ๆ ล้วนนำมาซึ่งความปีติสมนัดเมื่อได้แล้วความดีใจความปลื้มใจเราก็นิยมเฉลิมฉลองแม้แต่วันเดือนปีก็เช่นเดียวกันเช่นที่ชาวไทยและทั่วโลกได้ฉลองในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ประเทศไทยของเรานั้นได้จัดให้มีการสวดมนต์ท่ามพอศอมีเขาดาวเขาทำกันทั้งประเทศทั้งที่ความจริงแล้วปีเก่าปีใหม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ ปีเก่า 2,555 เราไม่ต้องไปส่งมันก็ไปปีใหม่ 2,556 เราไม่ต้องไปจัดต้อนรับมันก็มาเป็นไปตามกฎเกณฑ์หรือวัตจักรของธรรมชาติแต่อาศัยความฉลาดของมนุษย์จึงสมมุติ ให้วันเวลานั้นมีเก่ามีใหม่เพื่อที่จะได้หาโอกาสเริ่มต้นชีวิตและประกอบกิจใหม่ๆให้เกิดความสำเร็จก้าวหน้าและสดใส ย, ยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่ฉลาดจะไม่ไม่ปล่อยให้การเวลานั้นล่วงไปโดยเปล่าประโยชน์ พระพุทธเจ้าตรัสเตือนเราท่านทลายให้ถามตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าวันคืนล่วงไปบัดนี้เราทาอะไรอยู่หรือวันคืนล่วงไปแต่ละวันก็อย่าให้ล่วงไปเปล่าต้องให้ได้อะไรบ้างถ้าปล่อยให้ล่วงไปแล้วเอากลับคืนไม่ได้ ท่านพระครูพิสารธรรมโกศลหรือท่านอาจารย์หลวงตาแพรเยื่อไม้วัดประวงสาวาสอาจารย์พองอ์ตมาท่านได้ประพันธ์เอาไว้ไเร่ในเรื่องเวลากับชีวิตว่าอันเงินทองหล่นหายย้อนไปหายังมีท่าหวังพอประสบสม แต่คืนวันผ่านไปไม่ปรารมจะนิยมย้อนหลังอย่าหวังเลยไปทำทรัพย์สินเงินทองเข้าของหล่นหายนึกได้ตามไปหาก็อาจจะได้พบอาจจะประสบอาจจะได้คืนแต่วันเวลาที่ล่วงการผ่านไปไปแล้วไปรับไม่กลับมา ท่านจึงเตือนไว้อีกว่าเวลาและวารีมิได้มีจะคอยใครเรือเมและรถไฟก็ต้องไปตามเวลาโอเอและอ่ดอาดมักจะพราดปรารถนาพราดแล้วจะโศกาอนิจจาเราชช้าไปเพราะฉะนั้นในเรื่องเวลานี้ คนแต่ก่อนท่านก็สอนไว้ว่าน้ำขึ้นให้รีบตักนั่นแสดงว่าให้ฉกฉวยเอาประโยชน์ให้ทันต่อการและเวลาถ้าปล่อยไปแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรแต่ในบางเรื่องท่านก็สอนไว้ตรงกันข้ามเช่น ท้าท้าจะได้พระเล่นงามท้าเป็นการนานเป็นคุณคือสอนให้ไม่ใจเร็วด่วนได้ไม่ขีร้รามไม่ประมาทให้รู้จักคอยให้รู้จักรออันนี้ขึ้นอยู่กับการที่เรารู้จักฉลาดใช้ท่านจ่หลายวันเวลาที่ ล่วงวันผ่านไปแต่ละวันบุคคลจะมีความรู้สึกแตกต่างกันไปเช่นเด็กจะรู้สึกว่าได้แต่ผู้ใหญ่จะรู้สึกว่าเสียความรู้สึกจะตรงกันข้ามเด็กจะรู้สึกว่าได้เพราะ เด็กจะมีวิวัฒนาการจเจริญเติบโตก้าวหน้าในการศึกษาในหน้าที่การงานเป็นหนุ่มเป็นสาวมีอนาคตแต่สำหรับผู้ใหญ่พอเข้าเขตปัจชิมวัยแล้วความเสื่อมความชราความร่วงโรยทางสรีระสังขารมันก็เข้ามาเยือน ท่านจึงเรียกผู้เข้าสู่ปัจฉิมวัยบ้านปราชีวิตว่าผู้สูงอายุบ้างผู้สูงวัยหรือท่านสอวอบ้างชราบ้างหรือคนแก่บ้างแต่จะเรียกอย่างไรก็ตามก็คือเป็นคนที่ ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเป็นเวลานานถ้าเป็นต้นไม้ถ้าแก่ก็เป็นไม้ที่มีแก่นมีคุณค่าราคาก็แพงและอยู่คงทนถาวรถ้าเป็นข้าวก็ได้เก็บเกี่ยวถ้าเป็นผลไม้ก็เรียกว่าสุกงอมหอมหวาน แต่ว่าคนเรานั้นถ้าคำว่าแกเพียงคำเดียวมันก็มีหลายอย่างท่านบอกว่าบางท่านบางคนแก่มีคุณค่าชาราอย่างมีคุณภาพแต่บางท่านบางคนแก่เหมือนกันแต่แก่ดีกรีอย่างนี้ แก่แดดแก่วัดแก่วิชาดีมีหลายแก่แก่ดีกรีคำว่าดีกรีเป็นภาษาฝรั่งหมายถึงพวกที่ดื่มสุรายาเมาดื่มเก่งดื่มจัดประเภทพบหน้าเจอแก้่เจอขวด ที่ท่านบอกว่าเช้าหาเย็นเฮค่ำเซดึกส่างสว่างซ้ำหัวตำธรณีดิโกเห็นจะเข้าในลักษณะว่าแก่ดีกรีแก่แดดท่านอุปมาไว้ว่าผลไม้ที่โดนแดดมากๆแดดจัดๆผิวนอกจะดูเหลืองทั้งที่เนื้อในยังไม่สุกยังไม่แก่จัด เด็ดมากินก็จะผิดหวังเพราะไม่อร่อยรสจะเปรี้ยวฝาดหรือไม่ก็อผมท่านอุปมาเหมือนเด็กบางคนที่ทำอะไรเกินวัยเกินความเหมาะสมหรือก็ชอบทำอะไรเรียนแบบผู้ใหญ่ทั้งที่วัยยังไม่ถึง ท่านก็เรียกว่าเด็กคนนั้นแก่แดดคำว่าแก่แดดสานวนนี้บางครั้งท่านก็ใช้รวมมาถึงผู้ใหญ่เช่นเดียวกันเช่นผู้ใหญ่บางท่านบางคนที่ทำอะไรโดยไม่มีความคิดทำอะไรคล้ายเด็กท่านก็เรียกว่าแก่แดดคือแก่เสียเปล่าเปรียบเหมือนผลไม้ ที่แกรหรือสุกพระถูกแดดมันเผาเป็นผลไม้ที่สีก็ไม่สวยรสก็ไม่อร่อยข้อนอี้โบราณท่านกล่าวไว้ว่าคนแก่มีสี่ประการโบราณว่าแกรธรรมมาพิศมัยใจแห้งเหี่ยวแกยศแกวาสนาปัญญาเปรียว แต่แกแดดอย่างเดียวแกเกเรเคยได้ยินผู้ใหญ่บางท่านบอกลูกบอกหลานว่าพยายามอยู่ในร่มอย่าไปตากแดดให้มากนักถามว่าทำไมจึงไม่ให้ตากแดดมากนักท่านบอกกลัวมันแกแดดอันนี้ก็ท่านทั้งหลายฟังแล้วกอไปคิดแกวัด หมายถึงคนที่บวชนานสึกแล้วเปลี่ยนเพศภาวะแล้วยังทำอะไรคล้ายพระเชี่งช้างุ่มงามไม่ทันกินทันการที่ฝรั่งเรียกว่าโลลี่อันนี้ต้องทำความเข้าใจว่า การที่พระท่านทำอะไรค่อยเป็นค่อยไปหรือช้าช้าอันนั้นเนื่องจากพระวินัยที่กำหนดว่าพระทำอะไรต้องระวังสังวรต้องพิจารณาทำอะไรต้องมีสติมีปฏิปทาอาจาระแบบสมณะ ซึ่งแปลว่าผู้ส ง, งบผู้สงเงียมผู้ส ง, งวนระมัดระวังพระที่ทำอะไรระมัดระวังสารวมท่านจึงเรียกว่าอินทร์สังวรแต่พระพระรูปใดทำอะไรไม่ระมัดระวังกระโดดกระเดกไม่สารวมไม่ส ง, งบไม่สงเงียม เขาไม่เรียกว่าอินทรีสังวรเขาเรียกว่าพวกอินทรีพยองเพราะฉะนั้นพระที่ท่านค่อยๆฉันค่อยๆเดินทำอะไรแบบระมัดระวังนั่นแหละคือสอนให้มีสติอีกประการหนึ่งแก่วัดได้แก่ พูดที่แก่วิชาอาคมแก่ความรู้แก่ประสบการณ์อย่างนี้ดีแต่แก่บางแก่ก็แก่ไม่ได้การแก่ไม่ได้เป็นประโยชน์ท่านก็เรียกว่าแก่เพราะกินข้าวเข้าเพราะอยู่นานรวมความว่าเราท่านทั้งหลายจะแก่แบบไหนดีเพราะบางท่านก็เข้าลักษณะ แกรู้ตัวแกรักตัวแกลอยตัวแกเล่นตัวแกหลงตัวแต่แกที่แย่ก็คือแกที่ลืมตัวคำว่าลืมตัวในที่ดีนอกจากลืมฐานะภาวะทำอะไรไม่เหมาะสมแล้วลืมตัวในที่ที่คืบ ประมาทมัวเมาในการดําเนินชีวิตไม่ดําเนินชีวิตแบบปูชนียบุคคลหรือบุคคลต้นแบบแบบแผนแบบอย่างและแบบฉบับบุคคลต้นแบบนั้นคือบุคคลที่ทําดีไว้ให้ลูกทําถูกไว้ให้หลาน ทำดีให้ลูกหลานดูกระตันยูให้ลูกหลานเห็นเป็นร่มโพร่รมใสให้ลูกหลานได้เย็นนี่แหละจึงเป็นบุคคลต้นแบบท่านทหลายมีคำที่คนแต่ก่อนท่านกล่าวไว้อีกคำหนึ่งว่าดัดลูกต้องดัดเมื่ อ, อยังเล็กๆดัดเหล็กต้องดัดเมื่ อ, อยังร้อน ถ้าไม่ดัดตอนเล็กๆโตขึ้นก็ดัดยากเล็กปล่อยให้เย็นแล้วมาดัด ก, ก็ดัดยากต้องดัดเมื่อยังร้อ น, อนเพราะฉะนั้นต้นไม้ก็คล้ายกันถ้าแก่แล้วไปดัดบางทีมันไม่อ่อนตามไปดัดแล้วมันหักคนก็เช่นเดียวกันถ้าได้ฝึกหัดดัดนิสัย เป็นไปตามช่วงตามวัยของชีวิตก็จะดัดได้ง่ายพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าอัตตานังธรมยันติบัณฑิตาบัณฑิตย่อมฝึกตนทันโตเซโธมนุสเส ส, สุในหมู่มนุษย์ผู้ที่ฝึกฝนอบรมตอนดีแล้วเป็นผู้ประเสริฐที่สุด เพราะฉะนั้นจึงมีบทกวีที่โบราณท่านประพันธ์ไว้บทหนึ่งว่าอันลิงข้างกลางป่าจับมหัสสารพัดฝึกได้ดั่งใจหมายเกิดเป็นคนมาฝึกฝนแทบล้มตายหากเอาดีไม่ได้ควรอายลิงอันนี้ก็เป็นเชิงประชดประชัน ในเรื่องตอนนี้สำคัญมากท่านทลายพระพุทธเจ้าตรัสไว้อีกว่าอัตนาโจทยัตานังจงเตือนตอนด้วยตนเองอัตตาหิกิระพุทธโมแม้ตนจะฝึกได้ยากก็ตามแต่ก็ต้องฝึกแล้วใครจะฝึกตอนได้ดีที่สุด ใครจะเตือนตนได้ดีที่สุดเท่ากับฝึกตนเองเตือนตนเองเป็นอันไม่มีท่านจึงบอกว่าตนเตือนตนของตนให้พ้นผิดตนเตือนจิตตนได้ใครจะเหมือนตนเตือนตนไม่ได้ใครจะเตือนตนแช่เชือนใครจะเตือนให้ป่วยการท่านทหลายการฝึกฝน หรือการฝึกตนนั้นเป็นมงคลแก่ชีวิตถามว่าฝึกอย่างไรท่านก็บอกว่าฝึกตนให้มีระเบียบวินัยฝึกใจให้มีธรรมะฝึกตนให้มีระเบียบวินัยฝึกใจให้มีธรรมะธรรมะเป็นสิ่งที่จําเป็นจะต้องมีเพื่อความสวัสดีในชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งทมทั้งสามคือศิลธรรมคุณธรรมหรือที่เรียกอีกอย่างว่ามนุษยนธรรมและสุดท้ายก็จริยธรรมที่ใดไม่มีศิลธรรมไม่มีคุณธรรมไม่มีจริยธรรมที่นั่นจะมีแต่วิปฏสสนรความเดือดร้อนเบียดเบียนซึ่งกันและกัน เรื่องนั้นท่านทั้งหลายการที่ทุกทุกท่านเสียสละโอกาสเวลาเข้าวัดปฏิบัติธรรมฟังเทศฟังธรรมอยู่เป็นประจำนี่แหละที่ว่าทำดีไว้ลูกทำถูกไว้หลานทำดีให้ลูกดูกระตันยูให้ลูกเห็นเป็นร่มโพร่มใสให้ลูกเย็นชื่อว่า แม้จะแก่ก็แก่มีค่าชาราที่มีคุณอันหนึ่งย้อนกลับไปในเบื้องต้นที่ได้ปรารบถึงมงคลแห่งชีวิตคําว่ามงคลแปลว่าเหตุให้ถึงซึ่งความสุขความเจริญอะไรที่เป็นความดีเป็นความสุขความเจริญท่านก็เรียกว่ามงคลทีนี้มงคลจะเกิดขึ้นได้ อยู่อยู่ไม่เกิดเราจะต้องสร้างสรรบันดาลให้เกิดขึ้นเรียกว่าสร้างเหตุของมงคลให้เกิดขึ้นก็คือเหตุที่ได้ถึงซึ่งความสุขความเจริญในเรื่องมงคล น, นี้ท่านจำแนกเป็นสองลักษณะหรือสองประการคือหนึ่งมงคลภายนอกกับสองมงคลภายใน ท่านถลายต้องแยกให้ถูกมงคนภายนอกกับมงคนภายในมงคนภายนอกก็มีสองลักษณะคือมงคนที่เป็นวัตถุอย่างหนึ่งกับมงคนที่เป็นอาการอย่างหนึ่งมงคนที่เป็นวัตถุท่านเรียกว่าวัตถุมงคนเช่น เครื่องรางของขลังใบเงินใบทองใบนาภผ้าประเกียดชาญมากของพระเถระที่ทรงศีลทรงธรรมแม้แต่เทียนก็เป็นมงคลยญาแพร่ผักส้มปล่อยผิวมะกรูดก็เป็นมงคล ไม้ก็เป็นมงคลเช่นเวลาวางศิลาฤกษ์จะสร้างบ้านสร้างอาคารอะไรก็ตามเราก็หาไม้มงคลมาลงเสาเอกมาวางศิลาฤกษ์เช่นไม้สักไม้ขนุนไม้มะฆ่าไม้พยุงไม้กันเกล่าเป็นต้น แม้แต่ผ้าก็ยังเป็นมงคลที่เรานุ่งห่มสวมใส่กันอยู่ทุกวันสีผ้าบอกถึงความเป็นมงคลในแต่ละวันดังที่โบราณท่านบอกว่าวันอาษษษทิตย์สิทธิโชคฉลกดีใช้ผ้าสีแดงทรงเป็นมงคล วันจันนั้นควรสีนวลขาวจะยืนยาวธนสาสถาผลอย่างนี้เป็นต้นนี่แสดงว่าสีผ้าก็ยังเป็นมงคลทีนี้มงคลภายในคือการปฏิบัติธรรมที่เป็นมงคลในมงค ล, ลสูตร พระพุทธเจ้าตรัสไว้ข้อหนึ่งว่าธรรมจริยาเอตัมมังขารมุตตมังการประพฤติธรรมเป็นอุดมมงคลท่านตลายคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆประการนั้นเป็นมงคลทั้งสิ้นและที่ตรัสไว้เป็นหมวดเป็นสูตร มีอยู่หมวดหนึ่งเรียกว่ามงคลสูตรมีส8สิบปประการที่พระเจ้าประสงค์ใช้สวดในงานมงคลทุกครั้งเริ่มต้นตั้งแต่อเสวนาจะพาลานังปันดิตานันจะเสวนาตอนนี้แหละที่ท่านเจ้าภาพจะต้องจุดเทียนทำน้ำพระพุทธ본 พ่อพระขึ้นต้นว่าอาเสวนาจะพาลานังนั่นแหละบ่งบอกให้รู้ว่าท่านจะเรินมนบทมงคลสูตรและไปสุดท้ายที่เวระชังเขมังเอตัมมังครมุตตมังการเป็นผู้ที่ไม่มีมนทินในชีวิต และเป็นผู้มีจิตกเกษมสุขพ้นทุกภัยเป็นมงคลอย่างสูงสุดได้เรียกว่าเป็นมงคลภายในมงคลภายในคือเป็นมงคลที่กายที่ใจของผู้ประพฤติปฏิบัติบุคคลใดก็ตามท่องมงคลได้และนํามงคลมาปฏิบัติได้ ความจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในชีวิตในกิจการงานทุกอย่างก็จะบังเกิดขึ้นแม้แต่เวลาก็เป็นมงคลท่านาหลายเวลาที่เป็นมงคลเช่นเวลาที่เรากําหนดว่าจะประกอบพิธีกรรมสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้เกิดความพร้อมเพลียงเช่นเวลาที่ เราจะทำบุญทำกุศลจะแต่งงานในพิธีมงคลสมรสจะบวชลูกบวชหลานอย่างนี้เป็นต้นหรือแม้แต่ขึ้นบ้านใหม่นั่นแหละก็ต้องหาเลิกหายามเวลาใดที่เกิดความพร้อมเพรียงกันท่านก็เรียกว่าเลิกงามยามดีแต่ถ้าไม่ได้กำหนด ทำอะไรไม่สำเร็จไม่เกิดความพร้อมเพรียงท่านก็เรียกว่าเลิกไม่งามยามไม่ดีท่านจึงต้องหาเลิกเสียก่อนเลิกงามยามดีคำว่าเลิกก็คือกำหนดเวลาที่นัดหมายเพื่อจะเกิดความพร้อมเพรียงในการประกอบสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สำเร็จขึ้น แต่ถ้าไม่กำหนดไม่หาเลิกต่างคนต่างมามันก็ไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่พร้อมเพรียงทำอะไรก็ไม่สาเร็จมีหลวงพ่อท่านหนึ่งญาติโยมนิมนต์ไปทาบุญขึ้นบ้านใหม่ท่านถามว่าจะขึ้นบ้านใหม่เนี่ยบ้านน่ะสร้างหรือยังโยมก็บอกว่าสร้างแล้ว สร้างเสร็จได้ยังเสร็จแล้วมีบันไดหรือยังมีแล้วเอ้ามีก็ขึ้นได้เลยไม่ต้องทำอะไรอันนี้คือท่านเป็นผู้ที่ไม่ยึดติดในเรื่องพิธีกรรมหลวงพ่อท่านนี้ก็คือพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพลมมมังคราจารย์ แต่บอกชื่อนี้ญาติโยมจะไม่คุนหากบอกว่าหลวงพ่อปัญญานันทะวัดชนประทานรังสิตปากเกร็ดนนทบุรีญาติโยมก็จะรู้จักดีคุณนายท่านหนึ่งนำลูกไปบวชพอถึงวันจะศึกหลวงพ่อจะสึกให้คุณนายบอกยังยังอย่าพึ่งศึกขอไปดูเลิกก่อน ท่านก็บอกตามใจพอไปได้เลิกแล้วกลับมาบอกว่าได้เลิกแล้วท่านถามว่ากี่โมงคุณนายบอกว่าเลิกสิบเอ็ดโมงครึ่งลุงพ่อปัญญา น, นันท์พระบอกว่าเลิกเฮงสวยเลิกเฮงสวย ทำไมหลวงพ่อจวีวายอย่างนั้นมันจะไม่เ็งซวยยังไงเ่ก็สิบเอ็ดโมงครึ่งมันเลิกระฉันเพลิแล้วใครจะสึกให้แกก็ไปสึกของแกเองนี่คือหลวงพ่อปัญญานันนทะแต่ว่าเลิกฐานนาทีท่านกำหนดไว้ก็เพื่อให้เกิดความพร้อมเพรียงเพราะฉะนั้นเมื่อพร้อมเพรียงทำสิ่งใดก็ดีไปหมด เวลาพระท่านเจริญชัยมุคลคาถาหรือที่เรียกว่าชายันโตโยมฟังก็จะนึกออกพอพระสวดว่าชายันโตโพธิญานั่นแหละบทชยันโตหรือเจริญชัยมุคลคถามีอยู่ตอนหนึ่งที่ท่านบอกว่าสุนักขัดตังสุมังขลังสุปพาตังสุหุติตังเป็นต้น คำว่าสุนัขขัดดังแปลว่าเลิกดีสุมังขลังแปลว่ามงคลดีสุปภาตังเป็นรุ่งอรุณที่ดีสว่างสวัยดีเพราะฉะนั้นเมื่อทุกอย่างพร้อมเปรี่ยงแล้วก็เรียกว่าเลิกงามยามดีทำอะไรก็ดีไปหมดอีกประการหนึ่ง วัฒนธรรมที่เป็นมงคลเช่นเราท่านถลายเป็นงานต่างๆคนที่มีวัฒนธรรมก็จะต้องรู้จักแต่งกายให้เหมาะกับงานใครแต่งตัวไม่ถูกกับกาลเทศะเขาก็เรียกว่าแต่งตัวไม่เป็นมงคลไม่รู้จักกาลเทศะ เช่นไปในงานศพไปแต่งตัวสีฉูดฉาดแม้จะเป็นสีที่ถูกโลกกับตนแต่มันไม่ถูกกับงานมีบุคคลผู้หนึ่งขับรถเข้าไปในพระบรมมหาราชวังและ ไปในที่ประทับขององค์พระประมุขของชาติแต่งตัวอย่างไหนท่านทั้งหลายนุ่งกางเกงขาสั้นเหนือหัวเข่าไปใส่เสื้อแขนสั้นไปด้วยถูกเจ้าหน้าที่ประจำราชสำนักตำหนิอย่างรุนแรงถึงสองครั้ง ทำไมจึงไม่รู้จักกาละเทศะทำไมจึงไม่รู้จักวัฒนธรรมว่าที่ไหนเป็นที่ไหนเขาอ้างว่าร้อนนุ่งกางเกงขายาวใส่เสื้อแขนยาวบอกว่าร้อนจึงแต่งชุดนี้มาตั้งแต่บัดนั้นบุคคลผู้นั้นก็ไม่ได้รับอนุญาต ให้เข้าไปในที่นั้นอีกเพราะเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาแต่งตัวตามที่ตัวเองพอใจอันนี้ก็เรียกว่าไม่เป็นมงคลเพราะนั้นในที่ประชุมต่างๆเวลาที่มีงานสําสคัญ เขาจึงต้องรับุว่างานนี้แต่งตัวอย่างไรถ้ามีเจ้าฟ้าจะไปดินเสด็จข้าราชการแต่งตัวอย่างไรชาวบ้านแต่งตัวอย่างไรเขาจึงกำหนดไว้คนที่ไม่ยอมรับสมมติบัญญัติเขาเรียกว่าคนป่าคือคนไม่มีวัฒนธรรม ปัญหาว่าทำอย่างไรเราท่านทลายจิงเจ็ดได้มงคลข้อนี้เราท่านทลายก็จะต้องเชิญมงคลหรือเจริญมงคลไมาอยู่กับตัวเราด้วยการปฏิบัติตามมงคลข้อนั้นๆดังข่านนิพนธ์คาถาธรรมภาษิตที่โบราณกักบัณฑิตได้พัณนาไว้ ดังเทตมภาพได้อัญเชิญมาเป็นอุทเทศเทศนานเบื้องต้นว่าพุทโธโยมังครัฐฐานนางมังคลังอิติวิสุโตเป็นอาทิแปลความว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระธรรมเจ้าอันใดพระสงฆ์เจ้าองค์ใดอันโลกเรื่องลือว่าเป็นมงคลของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ผู้ต้องการมงคลผู้ส่งแสดงอาาัฏฐะผู้ส่งอาาัฏฐะผู้กระทมอัฏฐะที่เป็นมงคลข้าพเจ้าขอถวายนามสการพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าและพระสังฆเจ้าผู้เป็นมงคลนั้นอันหนึง่งท่านทลายในโสติกถาคือ กะถาว่าด้วยเรื่องความเป็นมงคลและความสวัสดีในมงคลสมัยขึ้นปีใหม่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสด า, า, าสมัสมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ว่านานยัตระโคตชังคตาภาษานานยัตระอินทรยสังวราม นานยตระสัพนิสสคโาสดิงปัดสามิปานิหนังแปลความว่าเราตถาคตมองไม่เห็นความสวัสดีของสัตว์ทั้งหลายอื่นใดนอกไปจากปัญญาเครื่องตรัสรู้ความเพียรเครื่องเผาบาปความสำรวมอินทรีย์และการเสียสละทั้งปวงข้อนี้นักประทางกวี ท่านแปรถอดความไว้ภา่เราะว่ามองไม่เห็นทำอื่นแม้มื่นอย่างที่จะสร้างสวัสดีให้มีสมนอกจากนำคำทั้งสี่นีนิยมมาอบรมแล้เท่านั้นนั่นแหละมีคือปัญญาหาวิชาเชิงบัณฑิตแล้วขยันหมั่นทำกิจไม่ผิดที่ แล้วระวังพรังพระที่อาจมีกับสละละพรีแม้ชีวิตถ้าทำได้สี่อย่างดังอ้างนี้เป็นต้องมีส่วนดีไม่มีผิดจะพ้นภัยใส่ผ่องส่องชีวิตให้โสพิษทุกทิพภาราตรีเอ่ยยักยมทุกทุกท่าน ปีเก่าผ่านไปปีใหม่ผ่านเข้ามาเป็นโอกาสที่เราท่านทลายจะได้ทบทวนความหลังระวังความผิดเตือนจิตของตนอดทนอดกลั้นแล้วก็มุ่งมั่นพัฒนาเรียกว่าเอาวันเวลานี้มาเปลี่ยนอดีตเพื่อลิขิตอนาคต เช่นปีที่ผ่านมาเราเคยเป็นอะไรได้อะไรในทางที่ไม่ดีให้ปรึกจิตคิดใหม่ปฏิรูปปฏิวัติความรู้สึกเสียใหม่เช่นเปลี่ยนสูญเสียให้เป็นสร้างสรรค์เปลี่ยนอุปสรรคให้เป็นอุปกรณ์เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเปลี่ยนความทุก หรือแปรความทุกข์ให้เป็นสติปัญญาเพื่อให้เกิดความรอบคอบรอบรู้จนกลายเป็นรอบจัดคือเชี่ยวชาญชํานาญการคําว่ารอบจัดนี้หมายถึงเชี่ยวชาญชํานาญการตรงข้ามกับคําว่าเหลี่ยมจัดเพราะฉะนั้นปีใหม่จึงมีบทเพลงหรือคําพูดอยู่บทหนึ่งว่า เปลี่ยนพอสอมใหม่เปลี่ยนใจหรื อ, อยังเปลี่ยนพอสอมใหม่เปลี่ยนใจหรื อ, อยังคือเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนความคิดระวังใจไม่วิปริตระวังจิตไม่วิปราสพฤติกรรมอันใดที่จะทำให้ชีวิตของเราแก่หรือเก่าเศร้าเสงงก็หาทางปรับเปลี่ยนปรับรุงแก้ไข ในทางที่ดีเช่นเกาโง่ก็ใหม่ด้วยฉลาดเกาเลวก็ใหม่ด้วยดีเกาทำลายก็ใหม่ด้วยสร้างสรรค์เกาคดก็ใหม่ด้วยซื่อสัตย์ซื่อตรงเกาทรยศก็ใหม่เี่ด้วยกะตันญูรู้คนอย่างนี้เป็นต้นชื่อว่าเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ในทางที่ถูก ที่ดีที่งามอันหนึง่งขั้นหลายคนที่ชื่อว่าเป็นชาวนาเพราะเขาทํานาจึงเรียกว่าชาวนาคนที่เป็นชาวไร่เพราะเขาทําไร่คนที่เป็นชาวสวนก็เพราะเขาทําสวนคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าเพราะประกอบอาชีพในทางค้าขาย คนที่เป็นแพทย์เป็นพยาบาลเพราะทาหน้าที่ในทางเยียวยารักษาไข้ผู้ที่ดูแลสุขทุกข์ของชาวบ้านจึงชื่อว่าเป็นผู้พิทักษ์สันติราชผู้พิทักษ์เอกราชจึงได้ชื่อว่าทหารหรือรั้วของชาติญาติโยมที่มันเข้าวัดปฏิบัติธรรม จึงได้เชื่อว่าอุบาสกอุบาสิกาผู้ที่ทํางานต่างพระเนตรประกันของพระราชาจึงได้เชื่อว่าพระราชการผู้ที่จะไปสวรรค์ไปนิพพานจึงมันประพฤติ ธ, ธรรมมันปฏิบัติวิปัสนาหรือกรรมฐานอยู่เป็นประจำข้อนี้เพื่อจะเชื่อเห็นว่า การที่เราทุกท่านทุกคนเป็นคนดีก็เพราะทำดีท่านจึงเรียกว่าคนดีคนที่เป็นคนชั่วก็เพราะไปทำชั่วท่านจึงเรียกว่าคนชั่วคนดีอยู่ที่ไหนที่นั่นก็ดีคนชั่วอยู่ที่ไหนที่นั่นก็ชั่วสรุปว่า สูงต่ำเพราะทำตัวดีชั่วอยู่ที่ตัวรมผู้ใดใครก็ตามคุณธรรมมีความดีก็ปรากฏใจมีธรรมมุดความงามก็ปรากฏท่านจนึงบอกว่าเกิดเป็นคนควรสร้างตนให้มีดีเกิดมาทั้งทีต้องสร้างดีให้ติดตนทั้งดีภายนอกและทั้งดีภายใน ผู้ที่มีทั้งดีภายนอกและดีภายในอยู่ที่ไหนก็สบายไปที่ไหนก็สะดวกอยู่เขาก็รักจากเขาก็อะไรเมื่อประมาณสามสิบกว่าปีมาแล้วมีการอภิปรายเรื่องสำคัญอยู่เรื่องหนึ่ง อภิปรายเรื่องนี้มีชื่อว่าโลกวุ่นเพราะคุณนั่นแหละโลกวุ่นเพราะคุณนั่นแหละทำไมจิงวุ่นก็เพราะแต่ละคนหลงไปทำในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามเพราะนั้นนำเรื่องนี้มาปรารกกบกระท่านถลายในท้ายแห่งพระธรร ม, มเทศนาก็เพื่อชี้เห็นว่า ทัาปีที่แล้วได้ใช้ตะไรทวานในทางที่ผิดเช่นใช้มนโนไปในทางทุจริตคิดแต่เรื่องร้ายๆใช้วัจจีไปในไปในทางทุจริตพูดแต่เรื่องร้ายๆใช้กายไปในทางทุจริตทำแต่เรื่องร้ายๆเสียหาย ปีใหม่ก็เป็นโอกาสที่ได้ใช้ไตรทวาลในทางที่ถูกต้องโดยใช้มโนไปนในทางสุจริตคิดแต่เรื่องดีๆใช้วัจจีไปนในทางสุจริตพูดแต่เรื่องดีๆใช้กายไปนในทางสุจริตทาแต่เรื่องดีๆถูกต้องเป็นธรรมดีงาม ได้รับการยอมรับนี่แหละชีวิตของเราจรึงจะเป็นมงคลและความเจริญรุ่งเรืองจะก้าวหน้าความก้าวหน้าก็จะเกิดขึ้นแม้หน้าที่การงานก็เช่นเดียวกันท่านทลายสำหรับท่านที่ยังรับราชการยังปฏิบัติหน้าที่ทั่วๆไปอยู่ให้ระวัง เรื่องต่อไปนี้หนึ่งกุสีโตสองฮีนวิริโยสามสิทิโลและทดจริโตกุสีโตความเกียดครานทำตัวเป็นพวกเกียว่างอันนี้แหละทุกอย่างจะไม่เจริญจะไม่รุ่งเรือง จะไม่ก้าวหนะ้าท่านจึงบอกว่าใครก็ตามอดีตไม่ขยันปัจจุบันไม่ขวนขวายไม่ต้องไปทำนายอนาคตฮีนวิริโยเป็นคนที่ฟอท้อถอยใจไม่สู้สิทิโรย่อนยานไร้ประสิทธิภาพทุจริโต ใจไม่ซื่อมือไม่สะอาดอย่าลืมว่าฝ่ามือที่ไม่มีแผลแม้จะกำยาพิษก็ปลอดภัยแต่ถ้าฝ่ามือมีแผลยะวะแต่ยาพิษแม้ยาแดงมันก็แสบเพราะฉะนั้นใครที่ทุจริตโตใจไม่ซื่อมือไม่สะอาดจะต้องอยู่ด้วยความหวาระแวงถูกตรวจสอบ ในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อปีใหม่ท่านจึงสอนให้ละชั่วประพฤติ ช, ชอบประกอบอยู่ในความดีชีวิตจะได้มีมงคลมีความสุขในขณะเดียวกันมีบางท่านบางคนที่ในหนึ่งปีเอาดีไม่ได้ ทำไมจึงเอาดีไม่ได้พฤติกรรมเสียหายคือสร้างชีวิตในทางไม่มีเสน่ห์มีแต่เสนียดบุคคลที่ท่านว่านี้อยู่ในลักษณะห้าจำพวกคือหนึ่งเป็นคนหัวแข็งสองเป็นคนแรงน้ำใจสามเป็นคนไร้สัจจา สี่เป็นคนอักตัญยูและห้าอยู่อย่างโจนหัวแข็งแรงน้ำใจไร้สัจจะอักตัญยูอยู่อย่างโจนไม่มีทางเจริญก้าวหน้าหัวแข็งเป็นคนที่แนะก็ไม่ทำนำก็ไม่ตามว่ายากสอนยาก ดื้อดึงดื้อรันดื้อดานเข้าลักษณะที่ว่าชั่วเกินโปรโดคดเกินดัดนี่มันกรรมของสัตว์ข้าพสุดจะแก้เหมือนเรื่องนางหอยโขงที่ท่านอาจารย์ลุงตาแพรเย็บไ ม, ม้ได้ประพันธ์ไว้สองเป็นคนแรงน้ำใจอยู่ที่ไหนไม่สร้างความเจริญไม่มีความเสียสละมีแต่ความเห็นแก่ตัวประการต่อมาไราสัจจะเป็นบุคคลที่น่าไหวหลังหลอก พูดอย่างทำอย่างแล้วก็อากตันยูเป็นคนไม่รู้คุณคนดีต้องรู้คุณคนไม่ดีชอบลบหลู่และก็ดูหมิน่นทั้งบุคคลและสถานที่และผู้ที่มีคุณสิ่งที่ให้คุณสุดท้ายอยู่อย่างโจนอยู่แล้ว ไม่สร้างสรรค์มีแต่ทำลายร่นเอาความดีความงามของสถานที่นั้นๆบุคคลนั้นๆ น, น, น, น, นำเรื่องนี้มาชี้แจงแสดงโปรดญาติโยมทุกคนสาธุชนทุกท่านเพื่อเป็นเครื่องเตือนจิตสกิดใจเราท่านทั้งหลายจะได้ละจะได้ระวังในสิ่งที่ไม่ดีไม่งาม แล้วหันมาประกอบในสิ่งที่ดีที่งามดังพระธรรมเทศนาที่ได้ชี้แจงแสดงมาตั้งแต่ต้นจนอวสานพระธรรมเทศนานชีวิตมังครกถาคือมงคลแห่งชีวิตได้ชี้แจงแสดงมาสมสมัยได้เวลา ในท้ายที่สุดแห่งพระธรรมเทศนาขออำานวยพรแดท่ทุกๆท่านว่าพรใดๆดีๆมีในโลกโชคใดๆดีๆที่ประสงค์สุขใดๆดีๆที่จำงทั้งหมดจงสำริจเป็นนิตยการ รับประทานวิสัชนาพระธรรมเทศนามาโดยประสงค์ก็ขอสมมติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการชนี